า อ, อาจารย์ขอโอกาสอาจารย์วันนี้มีพระมหาเถระเข้ามานะครับผู้ใหญ่อาจารย์พระมหาปจวปสอนกรรมฐา น, นมาฉลองปรานผมขอโากาสผู้เกษียณโยมพวกเรามาฟังธรรม ังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติก็ทำม้าเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ฟังเล่นเึลเปลือ เ, เสียเวลาด้วยซ้ำไปถ้าฟังแล้วต้องเอาไปทำก็ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาแนวทางปฏิบัติกันัไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นตานเด็กๆไปวัด อโสการาไปเรียนสมถะแบบท่านพอดีตอนนั้นเจ็ดขวบเก็ทำสมถะมาเรื่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไม่นานท่านองวรณภาพไปเราก็เด็กไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ก่อนครูบาอาจารย์อยู่แต่นีทรามเสียเวลาเปล่าๆไปยี่สิบกว่าปีฝึกแต่สมถะรู้นนู้นเลย้งยี่สิบสองปีซึ่งมีปัจนาไม่เป็น แล้วมันมีแต่ใจอยากปฏิบัติอย่างเดียวนะทุกวันต้มานั่งกําหนดลมหายใจหาใจเข้าคุ้นหายใจออกตัวทําอยู่เองได้แต่ความสงบบ้างความภูมทั้งบ้างก็เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั่นแหละปฏิบัติแล้วบางวันก็สงบบางวันก็ภูมิใต้มันก็วนๆอยู่เท่านี้เองตกเย็นมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมสงบ พอรุง่งเช้าไปทำ ม, มาหากินทำงานแล้วปุ้งใหม่วนเวียน า, างกระทั 65, ่งยี่สิบสามภาสองห้าปีสองห้าคือได้ไปกราบหลวงปู่ดูลย์พอไปเจอท่านเนี่ยเป้าไปถึงก็ไปกราบท่า น, นไม่ได้มีถวายดอกมองดอกไม้อย่างพวกเราอย่างนี้ไม่มีพิธีการไรนทั้งสิ้นตามไปถึงก็ก ร, รออาบบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติ หปู่ไม่สอนนะปู่หลับตาเงียบๆไปชั่วโมงเราก็กระวนกระวายใจก็ไปหาท่านแปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวสิบโมงต้องขึรถไปกับกรุงเทพเจ้าตัวไว้อย่างนั้นถ้าหลับตาอยู่ชั่วโมงเราก็ต้องรู้่าท่านไม่สอนแนละ้วท่านตัดไปถ้าหลุดตาท่านสอนง่ายๆการปฏิบัติมันไม่ยากมันยากสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติแล้วนะ ถ้าสอนต่อไอีกประโยคหนึ่งอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองเพจริงหลวงปู่ดูจะเป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันก่อนที่ท่านจะสอนใครจริงจังเนึ่ยท่านจะหลับตาเงี้ยวๆ เ, เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสอนให้ประโยคของประโยคเไม่มาก ลูกติดของท่านรุ่นก่อนหลวงพ่ออย่างหลวงพอมณฑรีก็เคยเล้าให้ปับไปหาท่านไปขอจะไปฟังคำนี้ท่้นหลับตาอยู่ทัางน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็สอบนี่พอท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วแต่ไปนี้ให้อา่านจิตตัวเองได้ฟังคำนี้นะมันเครใจเครื่องใจรู้สึกเรามีทางเดินต่อแต่เดิมทําแต่สมถาไม่รู้ว่าจะเดินต่ อ, อยังไง ท่อนให้ดูจิตตนเองรู้สิกย์บางคนท่านก็ให้ดูกายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็ให้ดูเรือดเลืองแต่ผมคนเล็บตาหนังบางคนก็ดูกระดูกดอะไรเงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตถ้าดูไปแล้วมันก็ห ม, มกผดกระจริในนิสัยจริในนิสัยของคนมันมีสองกลุ่พวกหนึ่งก็เรียกว่าตัณหาจรินพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบาย ท่านเหล่านี้เหมาะที่จะดูกายเพราะร่างกายเนี่ยมันสอนให้เราเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สงบแต่อีกพวกหนึ่งเรียกว่าพวกคิดจิจริตพวกคิดมากพวกคิดมากบอมาะกับการดูจิตใจตจิตใจนี่เป็นของเปลียนรวดเร็วการที่เราไปดูเราเห็นคับเปลียนแปลงได้ง่ายแต่เราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายท่านก็สอนให้โตกับจริตนั่นเอง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 ผมครูบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วแต่ปีนี้อ่าจิตตนเองแค่สอนแค่นีงเสร็จแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจแล้วคับมันคลื่นนะลื่นก็รู้สึกเข้าใจทิเชียนไม่เข้าใจหรอกมันคลื่นท่านบอกเข้าใจแล้วไปทำเอาเนะต้องไปทำเอานะไปทำรับปากข่านผมเดี๋ยไปทำเอาลาบลาท่านเอามาพอขึ้นรถไปใจไหนเลย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 จิตมันต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตไม่ไยกอยู่ที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายหรอกไปจริงเนี่มันเป็นสั่สทางไปนะใ ห, ให้การวิเคราะห์ใช่เหตุใช่ผลมันก็เป็นตรงกระดลักที่ครูบาอาจารย์ท่านมาบอกให้ทีหลังทําไมเรียนทีแรกท่านไม่ค่อยบอกอะไรให้หลังไปเจอท่านอาจารย์มหาบัวที่เคยสอนมาสอนข้อ ว, ว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอก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 ตัวเราตัวเราก็มีแต่ตายกับใจนี่เองแล้วเรามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจวันหนึ่งละความเห็นผิดาก็ตายกับใจเป็นเราได้เป็นพระสุนทรภักได้ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เรื่องว่าตั้งหรือไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นการปฏิบัติไม่เกิดกายกับใจนี่หลวงพ่อนั่งดูมาเออร่างกายนี้เป็นจิตหรือเปล่า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 รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กมั้งนั่งรถไฟไปนะนั่งไม่ค่อยปยับเนี่ยนั่งนิ่งๆดูเนี่ยนะความทุกข์มันผ่านเข้ามาความทุกข์มันมานะมันไปมันมาแล้วมันไปไม่เห็นมันมีจิตตรงไหนเลยในความรู้สึกทุกข์หรือว่าจิตคือความคิดของเราเองทุกวันนี้ยังมีคนไปถามหลวงพ่อเลยนะว่าจิตกับความคิดเป็นเดียวกันหรือเป ล, นะลเ่าหลวงพ่อก็มาสังเกตดูมาหักคิดเลยคิด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 จิตกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกกูต้นนาคูต้นนี้ก็แยกกันค่อยๆแยกออกกันในสุดจิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแต่หากใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ได้แวบเดียวก็ไหลเข้าไปรวมมีทำไมหลวงพ่อลําบากไม่มีครูบาอาจารย์บอกว่าทําไมมันถึงหลุดออกมาได้มาถึงวันนี้ง่ายมากนะพวกเราที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่หลักแค่เรารู้สึกตัวเท่านั้นเองจิตใจมันก็ถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดุกละ ถ้าความรู้สึกตัวแท้ๆเกิดขึ้นสติแท้ๆเกิดขึ้นจิตใจจะถอด ถ, ถอนตัวเองเออกมาเป็นคนรู้คนดูรื่นหลังๆนี่จะสบายกว่าหลวงพ่อเยอะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเขี่ยวเข็นทรมารรู้ติดมากท่านทรมานเอาไว้เพื่อไว้ทำงาน่อบแต่เรียนอย่างยากลำบากมันทำให้เราเห็นสภาวะที่เราต้องคอยรู้คอยสังเกตมากมารุ่นหลังๆคล้ายๆเรียนแบบเรียนรับ น, นะ เปมนเรียนรามอะไรนี่นะมีจิวเตอร์อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเยอะแยะสิ่งครอบตอบกันก็งง่ายหน่อยแต่ง่ายแล้วมันจะขี้เกียจ น, นะไม่ค่อยใจสู้เท่ไาไหร่กรรมฐานต้องใจสู้มากกัดไนปล่อยนี่ปัิตมันแยกออกจากผู้รู้จากสิ่งที่ถูกรู้มันแยกออกจาก ก, ออ ก, จกันไอ้แว บ, บเดียวนะเสร็จแล้วมันก็ไปรวมกันใหม่โอหอดทนมากนะในการตามรู้ตามดูอีกันที่หนึ่งรุดออกมาสอามแบบเอง ลำบากมากถ้าเป็นพวกเราใจสอบหลายคนเนี่ยลำบากอันาดนี้เลิกแล้วไม่เอาแล้วอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรปฏิบัติแล้วทําไมมันลำบากมากมากแต่หลวง่อไม่เลิกนะเขารู้เข้าดูจิตใจตัวงไปก็เห็นแต่ว่าเบางวันมันก็ทุกข์มากบางวันมันก็ทุกข์น้อยนะบางวันจิตใจก็ไปรวมกะลมนะรวมกันเป็นก้อนหนักๆเลยนะะบางวันก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรนี่เอาแน่ไม่ได้หนักบ้างเบาบ้าง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 ตอนอย่างนี้นะโอ้โหกลับไปดูใหม่นะตั้งแตเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เอาละเราอย่าไม่ไปยุ่งกับอากาศลนะจิตมันเป็นยังไงเราจะคอยรู้อย่างที่มันเป็นคอยรู้ไปมันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้นะมันเป็นปูชนมันเป็นอนังปูชนม์รู้มันเตะเรื่อยๆตามรู้ตามดูมันไปที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรยากหลวงพอฝึกตอนนั้นยังรับราชการอยู่งานมาก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 ถึงวันหนึ่งใจมันก็แจ้งขึ้นมาเราจะรวมเข้าไปแล้วก็ตัดสินของมันเองเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่เป็นของโชคชะตาทั้งหมดความสุกขก็โชคชะตาความทุกข์ก็โชคชะตากุศลกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวโชคชะตาทั้งหมดร่างกายเราเรากนะ็รู้สึกนะร่างกายนี้ก็ของอาศัยโชคชะตาอะไรในชีวิตที่ของโชคชะตาทั้งหมดการที่เราเห็นว่า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 ขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็่อแล้วนะกรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็อย่าไปทํามันมันต้องท้อมเสียเวลาคุณจะได้แต่สมถะเพราะวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายต้องมารู้การรู้แจตัวเองเจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, นอนาาัตตานี่ถึงจะเรียกวิปัสสนาอย่างถ้าเราไปนั่งเพ่งไปนะเพ่งเทียนเ พ, งเพ่งอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกายกับใจเราก็กลับมาดูกายดูใจลำบากนิดนึง ถ้าปรับเป็นก็ปรับได้เหมือนกันนะเช่นดูดูไปไปดูเทียนไปดูเค่อกระสินจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีปี่ยสีก็รู้กลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันแต่กรรมาฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำทุกวันนี้มจะเป็นกรรมาฐานที่เรื่องด้วยกายด้วยใจเราก็ทําองเราต่อไปแต่ทาไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยเราก็ทามานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะอใดถึงวนอยู่ที่เดิมก็สติตัวจริงไม่เกิดขึ้น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 สติเกิดจาัด ก, การจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราหัดจำสภาวะพอจิตจำสภาวะได้แล้วพอสภาวะนั้นเกิดแลสติะจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนธรรมะ ก, กับหลงข้อเนี่ยหลงข้อเฉลยเลยหลงข้อสอนให้พวกเรารู้จักตัวสภาวะธรรมนั่นเองโดยเฉพาะสะภาวะธรรมทางใจเป็เของดูง่ายสภาวะธรรมทางกายดูยากนะพวกเราทักนึกว่าดูกายง่ายคนที่จะดูกายได้ดีต้องมีการทำสมาธิหนุนหลัง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 นี่ตอนที่เราจะรู้ว่าจิตใจฟุ้งต้านได้แเราก็ต้องหักก่อนเบื้องต้นทํากรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราเคยทําพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้นะทําไปทำแล้วหักสังเกตสภาวะมันไม่ใช่ทําเพื่อให้ใจนิ่งลูกเดียวนะพวกเราหลายคนทําแล้วก็น้อมใจเพื่อจะให้มันนิ่งใจที่นิ่งมันไม่เกิดสัญญานะไม่นวูละเรื่องกันมันเป็นที่พักผ่อนเฉย สมมติเราพุทโธพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจเราก็หายใจกัาต่อไปพอใจของเราแอบไปคิดใครเคยไหนใจใช่ไหมถ้าเคยฝึกลมหายใจเราจะรู้ไลยหายใจแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดแลให้เรารู้ทำนะว่าใจหนีไปคิดล้วไม่ห้ามมันนะไม่ตําหนีติดเตียนจิตใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดมารู้ลมหายใจต่อไปประเดี๋ยวนึ่งใจจะต้องไปเพ่งที่ลมหายใจไปเกาะนิ่งๆไว้กับลมหายใจ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 ก็ไหนฝึกดูท้องของยุคนะดูท้องของยุคไปดูท้องของยุคสักพักหนึ่งจิตจะหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องของยุคไปจิตเข้าไปเพ่งนิ่งๆิ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องดูท้องของยุคไปจิตใจพุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจสงบรู้ว่าสงบมีปีติมีความสุกรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุกหายใจไปแล้วจิตใจเป็นยังไงครรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูท้องไป อ๋อก็เพื่อเปิดตาจังหวะการหายใจของเรานะคนไหนขยับมือนะเดี๋ยสายลงก็เทียนสอนขยับมือลวงพ่เทียนท่้นเป็นพราที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะเป็นพราที่ดีที่สุดองค์หนึ่งคาตอนของท่านนี่เฉียบขาดมากท่านสอนให้ขยับให้ขยับเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวหลักอันนี้ใช้ได้หมดเลยหายใจก็เพื่อรู้สึกตัวดูท้องของยุค ก, ก็เพื่อให้รู้สึกตัว ให้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเราเนั่ยนี่นี่ถ้าเราขยับไปมันขยับจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตไปเพ่งมือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลเกิดอกุศลคอรู้ทันไปได้รู้สภาวะไปเรื่การที่เราคอยหัดรู้สภาวะเนืองเนืองตามรู้สภาวะเนืองเนืองมันทําให้จิตของเรารู้จักสภาวะมันจําสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้น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 หลวงอบอกรายละเอียดถึงขนาดว่าสติเกิดขึ้นได้เพราะจติตจําสภาวะได้บอกกระทั่งวิธีที่จะทําให้จติตจําสภาวะได้คือหัดดูสภาวะบ่อยๆงั้นหัดดูทําสมรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนเดินจงกรมก็ได้ใครชอบเดินจงกรมก็เดินเดินไปแล้วจิต น, นี้ไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศ ล, ลอกุศลความรู้เรื่อยๆถ้าฝึดไปอย่างนี้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 แต่ถ้าเราทําแต่เอาความสงบความนิ่งแนละ้วมันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะขี่ปีมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อนิ่งอยู่ยี่สิบสองปีมันไม่เกิดปัญญาก็อะไรเพราะเราไม่ได้มารู้กายรู้ใจต่างความเป็นจริงาาหักเอานะหักเอาได้ข่าวว่าที่สาราลูคินนี่เขาเทศน์เป็นยี่สิบนาทีใช่ไหมให้เลือกตัดส่วมากาตะโกดฟังได้ยี่สิบนาทีนะานาหักเอานะหักเนา ถ้าฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่นานเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันไะด้การเจริญสติในชีวิตประจาวันนะี่คือหัวใจของการปฏิบัติหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทําสมาธิมากหรือติดแต่สมาธินะเนิ่นชา้าอยู่กันในสิบปียี่สิปีสามสิสี่สิบปีมีนะติด ส, สมาธิหกสิปีก็มี ทำสมาธิมากเนินชา้าแต่ไม่ทำเลยไม่ได้นะต้องทำเพื่อให้ใจได้พักผ่อนเป็นครั้งเป็นต่อคิดพิจารณามากฟู้งซ่านธรรมะไม่ได้เอาไว้คิดนะแต่ถ้าใจิตใจมันเปติดความสุขความสงบเฉยๆอยู่ก็ช่วยมันคิดพิจารณาเช่นพิจารณากายเป็นอุบายแก้ความติดสงบติดเฉยแต่ถ้าคิดอย่างเดียวเนี่ยฟุ้งตานหลกุป่มั่นท่านสรุปเลยบอกว่า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 รูใจรู้ว่ารูมใจรถเมย์มารถเมยว่างๆเราดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดเปลียนใจดีใจเป็นโกรธ น, นี่ตึกของเราอยู่อย่างเนี้เราพลาพตามรู้อยู่อย่างนี้ทั้งวั น, นแต่ถึงที่ทํางานเมื่อก่อนอยู่ทําเนียบรัฐบาลเอาีเวลาเหลือสิบนาทีนะเดินทอดน้องชมนกชมไม้มีตึกมีต้นไม้สวยๆจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแม้จิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความสุขล่ะจิตใจเราเปลีล่ยน เนี่ยแสดงไตรลักษณอยู่ตรงนี้แสดงทั้งวันมีความสุขไปแล้วแล้วก็นึกได้วันนี้หวัวหน้ากองไม่มานะหน้ากองจะไปประชุมที่อยู่จิตใจมีความสุกเป็นสองเท่าแล้วถ้องจัดการที่ดีพอเดินขึ้นมาถึงห้องทํางานจ็คเก็ตัวหน้ากองมาอ้าวผิดหวังผิดหวังรู้ว่าผิดหวงังไมหักตืกนก่นเต้นตื่นเต้เรือ่อยเจ็ดวันเจ็ดเดือนฝึกนไปเจ็ดวันเจดเดือนเจ็ดปีฝึกนไป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 ถ้าฝึกอยู่องนี้นะเดื๋ยวสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองแลใจจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นอยู่กับเลื้แต่ตัวเราก็เห็นกายเห็นใจเนืองเนือเห็นบ่อยๆมันเห็นเองไม่ได้เจ็ดนานจะเห็นพอเห็นมากข้ามมากข้าปัญญาจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราเข้าใจแหละหน้ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตใจก็เป็นตัวทุกข์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 ทันตีที่เรารู้ว่าจิตกำลังไปคิดอยู iciency, ่นะเราจะตื่นข <c oughs> ึ้นในสัมปันเมือเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวในสัมปันเราจะเห็นทันตีในกายนี้ไม่ใช่เราเราจะเห็นทันตีเลยจิตนี้ไม่เที่ยงจะเห็นมลงไปเห็นซ้าแล้วซ้ํำอีกถึงวันหนึ่งจิตมันพอแล้วมันตัดสินความรู้นะมันรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินของมันเองไม่ใช่เรื่องตลาดนะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะไม่ใช่เรื่องคนมีใสยไม่ใช่เรื่องหมดยุคหมดสมัยแล้ว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 นี่หนุ่มคนนี้เขาไม่เดินจงกรมคือไม่เจริญสติหลวงพ่อเรียกให้มาเดินโชว์ก็ลุกขึ้นมาขาดสติเลยลืมเนื้อลืมตัวตื่นเต้ น, นไม่รู้ว่าตื่นเต้นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ร่างกายกําลังเดินอยู่ไม่รู้ว่าร่างกายเดินอยู่อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้อพอเดินมาถึงหัวทางจงกรมทําอะไรรู้ไหมวางฟอมนี่นักปฏิบัติชอบทําอย่างนี้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 นะเป็นความปรุงแต่งฝ่าชั่วพอคิดเรื่องปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจวางปลอมถึงถึงพวกเราเป็นไหมเป็นนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบเกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยอ่นะคือนักวางปลอมต้องทำขืนให้ <c oughs> มันจะดูสง่างามดีนะห <c oughs> น้านับถือหารู้ไหมว่าเดินช็อปปิ้งก็เดินจงกรมไดนะ้เดินข้ามทางม้าลายก็เดินได้แต่อย่าไปเดินย่องย่องนะรถพับเอา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 เอาวันนี้เทศจบแล้วนะใคอยากกลับบ้านเชิญใครอยากจะกลับ ก, บ ก, บกเนะ็เชิญนะเชิญได้ไม่ว่ากันเมื่อก่อนหลวงพ่อมาทำไมหลวงพงเดียนเทศนะต่างกันยี่สิบนาทีเมื ก, กับบ้านเนาะยืนี้อึดหน้าดูเลยแต่ส่วนมากไปเรียนที่หลวงพ่อเนะ่ไม่ไล่ไม่ยอมกลับนะส่วนมากก็ต้องไล่หลายเลยโหดึ่ยหน้าซ้ำๆกันเลต้องไล่แล้วไล่ไม่ยอมกลับ อย่าติดครูบาอาจารย์นะเสียเวลาสต่มื่เวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยพอรู้วิธีเท่านั้นหลวงพ่อกราบนะกราบลาแล้วผมจะไปทำแนละ้วผมไม่มาหนังแค่มองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขอยู่แล้วนะ <c oughs> หลายคนมามองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขเห็นแนะล้วเหลอเพลินเพลิเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้รีบๆทายืนเดินนั่งนอนรู้สึกไป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 เราฝึกมากเข้ามากข้าเราเห็นว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจึงจะยอมบ่อยยกตัวอย่างาาอย่างร่างกายของเราเราผ่านกันนั่งนะพอเราเมื่อย เ, เราก็เปลี่นอิรี ย, ยาบถแป๊บเปลี่นไปแล้วเราไม่ทันรู้ความจริงของกายแต่ถ้าเราอยากรู้ความจริงของกายเราเรานั่งนะเบื้องต้นนั่งให้สบายก่อนหน้นททาสักพักเดียวมันเมื่อยมันเมื่อยเราก็ต้องขยับเปลี่ยนอีิรี ย, ยาบถเช่นทับเทียบเปลี่ยนข้างข้างซ้ายข้างขวา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 ส่วนใหญ่ที่ถามจะเป็นเรื่องติสมัฏฐานนั้นเลยงั้นหลวงพ่อตอบเหมาเหมาเลยนะใครจะถามเรื่องสรัฏฐานะไป ห, หาหนังสืออ่านเอานะลองถามเรื่องเจริญปัญญาบ้างสมัฏฐามันง่ายเข่งน้อยนิ่งนิ่งเมันก็ได้แล้วสมัฏฐาอ้าวใครจะถามคุณมวลเอาไหมอ้าวว่างไงไม่มีก็เลิกอ้าเชิญเชิญเดี๋ยว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 เราจะดูจิตที่เป็นจิตที่ปรุงแต่งเพราะนั้นสรุปง่ายๆเลยเราดูสองอย่างเมื้อกต้นเราดูความรู้สึกซึ่งไม่ใช่จิตหรอกในจิตตานุบัศนาดูให้ดีท่านบอกจิตมีราคารู้ว่ามีราคะใช่ท่านไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะท่านดูตัวราคะจิตมีราคารู้ว่ามีราคะแต่ถ้านไม่ได้สอนว่ามีราคาแล้วให้ละซะด้วยให้รู้เฉยๆทันทีที่สติเกิดราคาจะดับเอง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 จิตแหละแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เที่ยงต้องดูอย่างนี้นะอาศัยเจตสิกนั่นแหละไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆจิตอย่าไปดูมันตรงๆนะถ้าอยู่ๆไปจ้องใส่จิตจะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆไปเฉยๆหลวพอเคยสงส่นะสมัยก่อนพอดูจิตเนี่ยเราพบว่าผู้รู้กับสิ่งที่สุสุขรู้มันแยกจากกันเราดูตัวนี้ดเดิมดูอยู่อยู่ที่กลางหน้า อ, อกเนี่ยอาจารย์มหาบัวถึงสอนเลยทำแท้เกิดขึ้นกลาง อ, อก ทำแพ้เกิดขึ้นกลางอกกูต่อหน้าก <out> ูโตเนื้อพ <maniac> ุดขึ้นตรงนี้เองมัดก็เกิดขึ้นตรงนี้เองเข้ารู้เข้าดูไปเสร็จแล้วพอเราดูมากๆเข้าเราพบว่าไอ้คนดูมันอยู่ข้างบนนะอจิตมันอยู่ข้างล่างโราภาพสงสัยว่าแล้วเราจะดูตัวไหนถ้าดูตัวนี้ไม่มีทุกข์เลยดูตัวจิตเนี่ยไม่มีทุกข์เลยถ้าดูตัวความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้นๆนเลยไอ้พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์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 มนโนธาสุอะไ้เรายังไม่เห็นหรอกงั้นดูดูของรูแต่งไปก่อนถ้าใครจะกลับก็เชิญนะไปยอยกันกลับไยเออ อเออเั่นแหละเออนะแยกไปสิ่งที่ถูกรู้กับจิตมันไม่เกี่ยวกันหรอกความเศร้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตของเราในขั้นนี้มันจะประคัดสอนผ่องใสแต่เป็นจิตที่มียวิชานะยงแต่ผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นเกล่าว าเรารู้ ท, ทันกิเลสนะมันจะกระเด็นหลุดออกไปใจก็ผ่องใสขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องพยายาแยกนะให้มันแยกของมันเองถ้ารู้ ไ, รไปใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่สภาวะหยาบๆต่อม า, าสภาวะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น คะเอียดถึงที่สุดเนี่ยจะเป็นความไหวยิบยับยิบยับอยู่ทนกขียนแค่นั้นแหละแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าถลําลงไปจ้องมันเวลาดูมันจะระห่อยิบยับยิบยๆบเนี่ยอย่าจ้องใส่มันถ้าจ้องน้ะมันจะหดลึกเข้าไปหนีลึกๆๆอย่าลงไปตามนะอย่าตามเข้าไปหลวงพ่อสมัยหนึ่งปฏิบัติเนี่ยดูชํานาญมากเลยจนกระทั่งมันไหวยิบยับยิบยับเสร็จแล้วตามดูไปเรื่อยมันก็หนีลึกๆเข้าไป วันหนึงไปเจอหลวงปูสงป่สินครับโดยหลวงปู่สินท่านแสวนะท่านท่านเก่งจริงๆหลวงปู่สินมาเราไม่ได้ถามอะไรท่านนะไปกราบกราบท่านนะท่านมองหน้าแล้วท่านยิ้มยิ้มบอกผู้รู้ผู้รู้ทำท่าด้วยนะผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่ฟังแล้วงงน ะ, นะเออเราเคยได้ยินว่าอยากส่งกี่ด อ, อกนอกหลวงปู่ศินบอกออกมาอยู่นอกๆแต่เดิมหลวงปู่ดูลบอกอยากส่งกี่ด อ, อกนอกลูกติดชั้นดีก็เลยส่งเข้าข้างใน หลวงูเทศท่านอายุน้อยกว่าท่านเลยเติมอีกคําไม่ส่งเนอกไม่ส่งในลูกติดเลยประคองไม่กลางๆมาถึงสมัยหลวงพ่อต้องเติมอีกประโยชน์ประคองก็ไม่เอาอย่าประคองลูกติดก็พัฒนาการปรูงแต่งข้นไปอีกหาทางไม่ประคองอีกละ่ะคืออดไม่ได้ที่จะปรูงแต่งแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเราปรุงแต่งอยู่นะความปรุงแต่งก็จะขาดไป มักผลนิพพานนิพพานไม่ใช่อะไรนิพพานคือสภาวธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแตใจของเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดมันทําให้เรามองมักผลนิพพานไม่ออกในตอนเนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อบอกอ่ะรู้สึกไหมมันลืมกายลืงใจจิตสงสัยขึ้นมาทราบไหมดูลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะอะไรนะ อ๋อไปบวชจิตแล้วหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังทางรัชกาลรัชกาลเราไหนๆก่อนที่ผมมีหอ่วยงาของสมาคมอาสาคือหนเวยงาที่ผมมาทว่าสายต่อมาแล้วยคโบนะครับแล้วก็คือสายอื่นก็ เออขมานะโหปิดกรรมกาที่เดูดูทอยดูแ่แค่ดูอยู่ห่างๆดูอย่างสักว่าดูนะไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะอย่าส่งจิตเข้าไปแนมัน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 ในฐานกายฐานเวทนาหรือฐานจิตหรือฐานธรรมถ้าจะดูกายมันเมื่อยนะกายมันนั่งอยู่มันไม่ื่อยก็ลุกขึ้นเดินเราจะเห็นเลยรูปที่นั่งอยู่ดับไปแล้วเกิดเป็นรูปที่เดินขึ้นแผนแล้วเราจะดูกายเดี่ยเราไม่ได้สนใจเวทนาเราให้เห็นว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายนี่ถูกความทุบบิบคัน้นพอลุกขึ้นเดินนะสบายเดี๋ยวความทุบบิบคันอีกล้นี่ดูกายนะแต่ถ้าเราจะดูเวทนาห้ามขยับ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 เร้สึกเอดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังน้องนี่นบรรยยนอย่ามว่าชะาวะให้ง่เื่อตาวะ่อยาโอ้เดี๋ยวเพิ่งเรียนเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้ <c oughs> คือจิตจะปล่อยวางจิตนะจิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งสัก่อนน้่คำพูดของโลกูดูลนะลึกที่สุดเลย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 แต่แล้ววันรุ่งขึ้นนั่งรถไปจากสุรินไปโคราบไปหาหลวงพ่อพุธคนเต็มห้องท่านห้องท่านเจ้าไม่ใหญ่เท่าไหร่ท่านก็เป็นหน้าหลวงพ่อท่านก็กวักมือเรียกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าไปหาหลวงปู่ดูลเพราะว่าเวลาไปหาหลวงปู่ดูเนี่ยการกลับจะต้องแวะมาหาท่านทุกจิตท่านบอกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไร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 ก่อนท่านมารณภาพไม่นานเข้าไปถึงท่านเทศฟังท่านเทศจบแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อตั้งนานแล้วหลวงพ่อพุทท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกไม่เจอตั้งสิบกว่าปีนะท่านจําจได้หลวงพ่อผมยังทําลายจิตไม่ได้เลยคราวนี้นะโอ้ท่านจิตใจท่านนั้คึกคักขึ้นมาฉับพันเลยนะทีแรกท่านก็เหนืยท่านเป็นมะเร็ง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 ก็ที่เห็รูปปฏิบัติานี้แล้วเมื่อสติเคจิกินีรูปปฏิบติใช้สุขได้การทได้นะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขนะแต่ความสุขจะไม่หือหวาเหมือนกี่สีในสมถะนะมันจะมีความสุขชยแผ่แผขึ้นมาจิตใจมีความสุขขึ้นมาถามว่าทำไมอยู่ๆแค่มีสติ ข, ขึ้นมาก็มีความสุขแล้ว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 ร่มนวลเรียกมุตุตาจิตจะต้องไม่มีนิวรณครอบงำเรียกว่าควรแก่การงานมีกรรมัญตาไม่มีกิเลสแทรกจิตต้องปราดเปรียวว่องไวไม่แข็งไม่ซึนงไม่ชื่อนะจิตของคุณชื่อๆือนิดนึงดวกไหมชื้อชื้อตัวนี้ยังไม่ใช่นะต้อฝึกนะให้สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเอาคุณผู้หญิงนี้ อะไรนะ uh, mm. mm ่ที่ราต้อาที่จะได้เลยก็คือารท่ามาที่จะทำมีาด่ดียรยกัไดแต่เแล้วังแรกก็ไม่ค้ก็วัก็แบบผล่เได้มากราเ็าเรื่องหน้าจัดกาได้เราอยู่หาที่าาี่อไ อานคำของนก็จะจาได้คสอนี้ก็จะจาได้จริรู้ิันนี้จางเ่งจร่วี่กขาไม่ราอย่าใจแไม่หมดไม่หมดนะเพราะสติตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นมาเพราะเรื่องของมักอีลเวเพราะฉะนั้นต้องหัดรู้สภาวะนะต้องหัดรู้สภาวะไปเช่นใจเราลอยไปแล้วรู้ทันใจวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้ทัน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 อยากพูดอีกแล้วรู้สึกไมอยากพูดคนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมอ่าไม่ต้องบอกก็ได้นะหงพทราบแล้วอะอนนี้สกบอกห่ต้่นอามันตื่นเตนี่เราอย่าละเลยเล็กเล็กน้อยๆอยนะหัดรู้สภาวะได้่เร่ยเราอย่าละเลยนะอ่าใช่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 เรารู้เฉพาะตัวเราไม่เล่าเอองั้อย่าคุยเยอะห้ามคุยห้ามคลุกคลีเมืองต้นพระเจ้าถึงห้ามคลุกคลีไม่งั้นคุยเราจะคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปใจเราจะฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านเราจะเห็นสภาวะไม่ได้แล้วเวลานั่งสมาธินลคือถ้าเราเนี่ยนต่ทนไม่ได้านั่งนั่งแล้วเล่น่ไม่ได้่ไเลลยเเลยเลยเลยเลยเลยเเลยเลเล้เลลเลยเลยเลยเลลยเเลเเลล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 พเจาขอตั้งใจนำโดยที่พระธรรคองไปไว้ในตัวนี้แต่อพระรสโสโคโชโดยพาพกันโดยเราเป็นตูบนันของทุกคนขอบ ผรอนนะโยมจะได้ได ก, กลับส่วนมกพะเพลงมิตีไล่โยมให้พรผ่อนบางคนไม่ไปไล่ไงท่านลดน้ำมนต์นะมานั่งนานลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเปียกก็กลับเองอะยันถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสารังเอวเมวายโตตินังเกตาณังปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสนิจจโต สับเบพเทปุเรตตูสังกัปปจันโทปันนราโสยะธามณิโชติราโสยะถาสัพพิีโยวิวัชันตูสัพ โ, พโรโควินัสตูมาเตภวัตมันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวิทาปจายโนจัตตารุธรรมาวัชันตีอายุวันโนสุขังพลังภวทุสพมังคลังรักขัตุสาปฏิวตา สัพพุทธานุภาเวนาสัพพธัมมานุภาเวนาสัพพสังขานุภาเวนาสดาโสตีกัปปันตุเต